เราก็ได้รับเมื่อตาเห็นลูกหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นอย่างที่เรียนมาเรื่องจิตปรมตติเนี่ยทุกเมื่อเชื่อวันอย่างว่าเราได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมานะอาการที่เราได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาชิ้นหนึ่งเนี่ยคนชิ้นนั้นนะคนคนนั้นนะซึ่งเป็นชิ้นหนึ่งของชิ้นนั้นซึ่งเป็นชิ้นหนึ่งเมื่อเราได้มาแล้วเราก็เอามาเสพเอามาเสพหมายความว่ า, วา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 ใช้เรียกประตูบ้านประตูเมืองบาลีเขาเรียกว่าถวาวร น, นันคนเฝ้าประตูก็เรียกว่าทวารบาลคือคนเฝ้าประตูกา น, นี้ต่อมาก็ได้พูดในเชิงเปรียบเทียบว่าบ้านเรือนหรือบ้านเมืองมีประตูมีถารชันใดแม้สลีลังเราก็มีถานรมีประตูฉันนะั้นตัวเราเนี่ยก็มีประตูคือทางเข้าทางออก นะครับนี่เราเคยพูดกันมาแล้วก็ตูนอีกทีอันนี้จะสอดคล้องกับวิธีจิตยู่งกันว่าถามว่าในตัวเราเนี่ยมันมีทาวารมีกี่ทาวารเราเคยแยกแล้วนะฮะว่าในมุมหนึ่งบอกมีสามทวารสามประตูคือประตูปากเรียกว่าจีทาวารแล้วก็ประตูกายเรียกกายทาวารประตูใจเรียกมโนทาวารอันนี้เป็นทาวารสาหรับทากรรมแล้วก็ทาวาร อ, อีกในหนึ่ง